เวลาผ่านไปอย่างแช่มช้าทำกลางความเงียบสงัดวังเวงของป่ารอบด้านจะหลยวแลไปทางด้านใดมันแวดล้อมไปด้วยความมืดมิดแฝงเลนสนยัยอันน่าสะพรงกลัวจักกระจันไรๆและสัมสัต ท, ที่ออกหากินในเวลากลางคืนดูจะพากันสงบเงียบกันไปหมดฟ้าแลบอยู่เป็นระยะทางสันเขาด้านตะวันตกและมีเสียงคำรามเบาๆแววมา ลมเย็นเฉียบจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือกระโชคกควบฮาบมาเป็นระยะระยะสามทุ่มผ่านไปแล้วจากนาฬิกาข้อมือของชายันฟ้ายังเป็นสีดำมืดเราก็เอาผ้าดำผืนใหญ่มาคลุมไว้ปราศจากแม้แต่ดาวสักดวงครั้งหนึ่งมีเสียงอะไรชนิดหนึ่งหวิดแหลมยาวเยือกโหยหวนแวววมาตามลม อุปาทานของดารินฟังคล้ายๆกับเสียงกรีดร้องของมาเรียฮอฟมันที่หลอนได้ยินเมื่อเที่ยงวันนี้ขณะที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นชัยันเองก็ยืดตัวลืมตาโพลงพยายามเงี่ยหูแต่จันผู้นอนเอกนเนกสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่อีกฟากหนึ่งของกองไฟบอกว่าเสียงนกนะ่ะนายทหารชายันถอนใจเบาๆกรอกบรนดีใส่ปาก แล้วลูบหลังดารินผู้นั่งซึมอยู่ใกล้ๆกระซิบนอนพักจะเถกน้อยชันกับพวกนี้จะผลัดกันอยู่ยามเองดารินก้มตัวลงนอนอย่างว่าง่ายชัดแบลงเก็ตขึ้นคลุมตัวแต่ดวงตาทั้งสองยังคงเปิดโครงท่านใดนั้นเองจันก็พงกหัวชันตัวขึ้นตาลุกวาวอาการเหมือนจะรู้สึกในความผิดปกติบางอย่างอดีตนายทหารปืนใหญ่สังเกตเห็น ขยับจะอ้าปากถามพรานพื้นเมืองของระพินก็ยกมือเป็นสัญญาณห้ามไว้ป้องหูเงียฟังเสียงเกิดและเสร็จก็มีอาการหูพึงตาสว่างขึ้นทั้งสองคนค่อยๆดึงตัวขึ้นจากอาการที่นอนอยู่อย่างแช่มช้าทั้งสามพรานค่อยๆอ ย, ยองแยกย้ายกันไปนั่งฟังเสียงซุ่มสงบอยู่ตามมุมก้อนหินรอบด้านโดยไม่ได้พูดคาใดกันเลยต่อมาจันทร์ก็เอา ก้มลงแนบกับพื้นแล้วหันมาโบกมือเรียกชยันผู้จ้องตาขมิงแทบจะไม่ยอมหายใจนักพจนภายชาวพระนครก็ช่วยไรเฟิลประจำตัวพร้อมไฟฉายย่องกริบคุ้มตัวเข้าไปคุกเข่าอยู่ยังแง่หินที่จันหมอบรอคอยอยู่นั้นอะไรอย่างหนึง่งกำลังย่องใกล้เรากามาทางมูหินด้านโนจันจอป่าเข้ามากระซิบใกล้หูเขา ชา ย, ยันใจเต้นแรงตาเบิกสว่างวาวอยู่ในความมืดมองจ้องไปยังกลุ่มโขดหินที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มเรียงรายสูงสู ง, สงต่ำาๆเหมือนภาพปีศาจมานั่งกันอยู่แลว้วาด ก, กล้องไรเฟิลเตรียมพร้อมจ้องไปยังทิศทางนั้นกระชับไว้มั่นนื้อแตะรออยู่ที่ไกเวลาเดียวกันจันก็เอื้อมือมาเฉยไฟฉายไว้ในมือแต่ยังไม่เปิดสวิต์เล็บโซดอันเปิดพร้อมของเขา ก็แหววเสียงก้อนหินปนกรวดบนพื้นที่ใดที่หนึง่งไม่ห่างออกไปนักลั่นแผ่วเบาขึ้นครั้งหนึ่งจากนั้นก็เงียบหายไปจังหวะนี้เองใครอีกคนหนึ่งก็เคลื่อนกลิบเข้ามาซุดคุกเข่าอยู่อีกด้านของแง่หินที่กำบัดดารินนั่นเองไรเฟิลประจำมมือติดมาด้วยแต่วางราบไว้กับพื้นอีกมือหนึ่งกำจุดสามห้าเจ็ดปืนสั้น ที่ดึงออกจากซองข้างเอวลอนไม่ได้นอนหลับอย่างที่ชา ย, ยันคิดและมองเห็นปฏิกิริยาอันไม่ชอบมาพากลของคนเหล่านั้นโดยตลอดจึงทะลันลุกตามอย่างรวดเร็วด้วยสังหอนร้ายสรราปไรหรือว่าสางคิวชา ย, ยันกระซิบถามเบาที่สุดจันแยกคิวแล้วสายหน้าช้าๆจันไม่รู้แน่นายทหารแต่มันมาตัวเดียว ไหลป่าของเราเข้ามาทุกทีตอนนี้มันหยุดคงจะอยู่หลังพงริมซ้ายมือตรงก้อนหินหมู่นั้นแน่ๆเสียงมันมาจากทางนั้นเกิดและเสยบัตรนี้ก็คลานเข้ามาสมทบทางด้านนั้นแสดงว่าค้นหาที่มาของเป้าหมายลึกลับได้เด่นชัดทุกคนถือปืนในท่าเตรียมพร้อมแน่ใจหรือว่าตัวเดียวแน่ใจในทหาร คอยฟังเสียงให้ดีแล้วใช้ไฟในทันทีที่แน่ใจว่ามันโผล่ออกมาในแนวแสงไฟชยันสัง่งประทับพานท้ายปืนแนบไหลใจใหญ่พานไปทุกสิ่งทุกอย่างยังคงจมตัวอยู่ในความสงัดแฝงเลสไนทำไมไม่ปลุกนายพรานใหญ่ทำไมไม่เตือนให้เราทั้งหมดรู้สึกตัวว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นดารินคลานแทรกเข้ามาในระหว่างชยัน และจันแล้วกระซิบถามขึ้นไม่จเป็นพวกนั้นจะตื่นขึ้นเองเมื่อเสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งตอบโดยไม่ยอมลดปืนลงจากไหลในท่าเดินและแล้วทันทีนั้นก็มีเสียงนกกลางคืนชนิดหนึ่งดังแวววูแทกความมืดมาเบาๆมันดังมาจากกลุ่มหินหมู่ที่หมายตาไว้นั่นเองสางเกวแน่ มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างบอกพวกมันดารินอุทานแผ่วออกมาจากริมฝีปากแทนคำปรามชายันปาดมือมากระทบแขนดารินเบาๆเป็นการเตือนให้สงบเงียบจันเกิดและเสยพยายามจับฟังเสียงนั้นเหมือนจะหาคำแปลสีหน้าอยู่ในอาการ ง, งุนงงเสียงดังกล่าวยังคงแวววูต่อมาอีกเป็นระยะ และมีอยู่เพียงเสียงเดียวไม่มีเสียงขานรับจากที่อื่นบัดนั้นเบื้องหลังของคนทั้งห้าที่กําลังซุ่มสงบเตรียมพร้อมอยู่พวกที่กําลังนอนก็ค่อยๆพูดขึ้นทีละคนเหมือนเงาผีระพินแงสายขยินบุญคำและเชิฐาแม้กระทั่งสางปา่าผู้สบักสบอมอยู่ในขณะนี้ก็ยังรู้สึกตัวด้วยสัญชาตญาณป่าชันคอขึ้น แต่ก็ต้องนอนราบลงตามเดิมเพราะพรางใหญ่กดศรีรษะไว้ายหลังที่เพื่อจะรู้สึกก็เข้ามาสมทบกับายแรกอย่างไม่มีเสียงแยกย้ายกันเข้าประจำตามที่มั่นต่างๆกลิ่นไอที่ทั้งสิบเผชิญอยู่ในขณะนี้มันจมอยู่ในปริศนาอันไม่อาจคบแตกและก่อนที่ใครจะคิดเช่นไรต่อไปนั่นเองก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งขนาดเท่าหัวแม่มือ ก็ลอยเข้ามาในแนวที่กำบังกระทบโคดหินปรากฏเสียงขึ้นเบาๆมันกระดอนมาถูกเข่าของรพินเข้าพอดีพลานใหญ่หยิบขึ้นมาพิจารณาก็พบว่ามันเป็นก้อนกรวดธรรมดาก้อนหนึ่งเขาเดอกรวดก้อนนั้นขึ้นลงในมืออย่างช่างใจหัวคิ้วขมวดยน่นสายตาของทุกคนในยามนี้พุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาคนเดียวด้วยความพิษวโงงงวย มันน่าจะเป็นสัญญาณเรียกหรือเตือนให้รู้สึกตัวอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งส่งมาจากตัวปริศนาในขณะนี้ลักษณะของมันไม่น่าจะส่อไปในทางร้ายจอมพรานก็คว้างกรวดก้อนนั้นกลับคืนไปยังตำแหน่งที่มาของมันทันทีมีเสียงกรวดกระทบโขดหินดังแก๊กแล้วก็กระดอนห่างออกไปขาดเสียงกรวดก้อนนั้น ทุกคนก็แววเสียงการเคลื่อนไหวสวบสาบหลังโขดหินก้อนใหญ่ได้ยิงอย่างถนัดใกล้เข้ามาพอได้ระยะไฟฉายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไม่ต่ำกว่าสี่หกระบอกก็สาดลํำจ้าประสานกันออกไปอย่ายิงแล้วพินร้องอย่างเร็วปือทันทีที่แสงไฟสาดไปรกระทบเป้าหมายและเสียงร้องห้ามของเขาส ก, กัดกั้นปืนหลายกระบอกที่เตรียมจะสาดระดังออกไปไว้ได้อย่างวุ่นวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้ยยันและดารินผู้ยั้งนิ้วไว้ทันเพียงเส้นยาแดงร่างอันมีผมกระเซิงท่อนกลางลำตัวพันไว้ด้วยผ้าติวยืนยกมือป้องหน้าหลบแสงไฟอยู่ริมหินใหญ่ข้างพุ่มไม้ต่อนหนึ่งมองผาดผ่าดไม่ผิดอะไรกับพูดปาที่ปรากฏดตนขึ้นเจ้าตองเหลืองคนนั้นเชิฐากระบุญคำอุทานออกมาพร้อมกันอย่างตื่นเต้น ทุกคนพลอยตะลึงกันไปหมดเมื่อมองเห็นได้ถนัดรพินลุกพรวดขึ้นยืนในทันทีนั้นส่งภาษาขมุูออกไปเร็วปรือ้อร่างนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนที่เดินตรงเข้ามาจอมพรานสั่งให้ทุกคนที่เอาไฟฉายจับอยู่ในขณะนั้นดับไฟลงเสียอึดใจเดียวร่างของเจ้าตองเหลืองซึ่งทุกคนจำหน้าได้ถนับว่าเป็นคนเดียวกับที่ได้ช่วยให้รอดชีวิตจากสางเขียว ก็เข้ามาถึงเขตชั้นในของแคมป์ทำกลางความประหลาดใจของฝ่ายที่อยู่ในแคมป์ทั้งหมดให้ตายเถอะสวรรค์ช่วยมันไว้แท้ๆที่ระพินตื่นขึ้นมาทันชายันร้องขึ้นแหบๆจ้องนาเจ้าตองเหลืองเขมิงไม่งั้นพอสองไฟเจอพริบตาแรกมันเป็นต้องขาดสองท่อนโดยลูกปืนแน่เมื่อกี้นี่ก็วิดไปนิดเดียวดีแต่ช่างงักไว้ทันไปไงมาไงกันเนี่ย รพินนำเจ้าคนป่าที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ให้รอดตรงก็มาที่กองไฟกลางแคมป์ทุกคนมุงล้อมชายตองเหลืองผู้นั้นขณะที่มันพูดจาโต้อตอบเร็วหรืออยู่กับพรานใหญ่ด้วยลักษณะท่าทางอันตื่นกลัวลุกลนสังเกตเห็นได้ชัดขยินส่งเล่าปลาไปให้มันรับไปดื่มอย่างกระหายและแทะเนื้อย่างรมควันอันเป็นสเสบียงแห้งที่บุญคายื่นไปให้อย่างหิหวโหยตะกลุมตะกราง ลักษณะอุดโซมาหลายมือป่าก็โต้ตอบคำถามที่รับพินและพวกพรานพื้นเมืองรุมกำซักไปพลางตลอดเวลาคณะนายจ้างทั้งสได้แต่สังเกตอาการท่าทีอย่างกระสับกระส่ายเพื่อรอการถ่ายทอษครูใหญ่จอมพรานจึงหันมาทางคณะนายจ้างซึ่งจ้องอยู่ก่อนแล้วอย่างกระวนกระวายที่จะรู้ข่าวกล่าวโดยเร็วว่าเจ้าเกะมาส่งข่าวให้เรารู้ สังเขียวหมู่หนึ่งประมาณเจดคนภายใต้การนำของลูลูกชายของซูซูหัวหน้าใหญ่ขณะนี้มันซุ่มอยู่บนไลหล่ผาห่างออกไปไม่เกินสองสาร้อยหลานี่เองพอพระจันทร์เริ่มขึ้นลมจะพัดเปลี่ยนทิศโดยพัดจากมันมาหาเรามันคอยโอกาสนั้นสุมควันไฟมียาสะกดให้หลับลอยตามลมมาสะกดพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นั่นพวกเราทุกคน จะหลับเป็นตายกันหมดทั้งสามลืมตาพลุงอุทานออกมาอย่างตกใจเป็นความจริงเหรอมันบอกเช่นนั้นครับแล้วเจ้านี้มันรู้ได้ยังไงเจ้าเกบอกว่าตลอดเวลามันรู้เห็นการเคลื่อนไหวของสางเขียวและพวกเราอยู่ทุกระยะเมื่อตอนบ่ายก่อนที่สางเขียวจะยกพลเข้าโจมตีเรามันก็รู้แต่เข้ามาบอกไม่ทันต้องหลบหนีเอาตัวรอดไปก่อน กาปรปะทะระหว่างเรากระสังเขียวนับตั้แต่เริ่มต้นจนลงท้ายมันก็เห็นมันบอกว่ากองทัพไอ้ผีดิบส่วนใหญ่ภายใต้บงการของซูซูหัวหน้าถอยหนีบ่ายหน้าไปทางป่าบนอันเป็นหมู่บ้านชมรมที่อยู่ของมันหมดแล้วเหลือทิ้งไว้แต่ลูผู้เป็นลูกชายและทหารเอกของมันอีก6คนซึ่งเตรียมวางแผนจะรมยาสะกดพวกเราคืนนี้ พวกมันปรึกษาวางแผนกันริมพโพรงไม้ที่เกะบังเอิญซ่อนตัวอยู่และได้ยินตลอดหมดมันบอกว่าที่มันหลบรอดสายตาของพวกสางเขียวมาได้แค่ปลายจมูกก็เพราะผีของนางเทียลูกสาวมันที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเข้ามาช่วยบางตาให้และที่มันซุ่มเข้ามาหาเราได้นี่นางเทียก็นำมันเข้ามามันอดอาหารมาสองวันเต็มๆแล้วกุดแต่หัวเผือกหัวปลอยกิน หลังจากที่แยกกับเราแล้วไม่พบพักพวกมันคนไหนอีกเลยสงสัยว่าพวกมันกลุ่มนั้นจะถูกฆ่าตายหมดแล้วไม่แปลว่าไอ้พวกผีร้ายนะ่ะมันยังรอคอยที่จะเล่นงานเราอยู่ใกล้กลนี่เองเนอะชา ย, ยันร้องเชษฐาก็ซักมาเร็วปรือว่าแล้วมันรู้หรือเปล่าว่าขณะนี้มาเรียเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนมันเห็นแต่เพียงว่าไอ้พวกนั้นเอาตัวมาเรียไปด้วยตอนที่เรายิงระเบิดไล่ ลักษณะของมาเรียสลบไม่รู้สึกตัวขณะที่เกเห็นน่ะมันยังไม่ได้ฆ่าหรือทำอันตรายอะไรนอกจากถูกแบกไปเฉยๆมุ่งหน้ากลับสู่หมู่บ้านของมันถ้างั้นจกเก้ก็ควรจะรู้ทิศทางของไอ้พวกสายขิวเป็นอย่างดีสิมันจะต้องนำทางให้เราได้ดารินพูดโดยเร็วตาเป็นประกายแล้วพินหันไปส่งภาษากับชายตองเหลืองอีกครู่ก็บอกว่ามันไม่เคยรู้แน่นอนหรอกก่อน มาก่อนว่าหมู่บ้านหรือชมรมของสางเขียวอยู่ที่ไหนเพราะเป็นแหล่งลี้ลับมากแต่มันก็รับอาสาจะนําทางให้เรามันบอกว่าผีของลูกสาวมันจะเป็นผู้นําทางมันและมันก็นําทางให้เราอีกทีหนึง่งแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเราควรคานึงถึงปัญหาเฉพาะหน้าก่อนลูกกับพวกมันอีกหกคนอยู่ไม่ห่างจากเรานักกําลังจะย่องเข้ามาภายหลังจากที่มันแน่ใจว่าสะกดเราหลับหมดแล้ว มันจะใช้อะไรสะกดโดยเวทมนต์ผีของมันน่ะเหรอเชิดถาเต็มไปด้วยความโงนมีหนังของคางคกภูเขาชนิดหนึ่งครับเมื่อเผาให้เกิดเป็นควันโชยไปถูกคนหรือสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดมันจะมีสภาพคล้ายยาสลบทำให้ง่วงเหงาหลับไหลไปโดยไม่รู้ตัวผมเคยรู้กิติศัพท์ของมันมาก่อนบ้างเหมือนกันแต่ไม่เคยทดลองหรือพบเห็นกับตัวเองก็มาบอกว่าไอ้พวกสางเขยวมันใช้วิธีนี้ จึงควรจะพิจารณาได้ว่ามันจะต้องเป็นความจริงนรกนี่ถ้าพวกเราทุกคนเผลอสลบสไลกันไปหมดเพราะถูกยาสะกดของมันเข้ามิจบเห่กันไปหมดเหรอและจะทำยังไงต่อไปนี่ชายันสบดออกมาอย่างแค้นเคืองทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะหนึง่งครั้นแล้ววาระนั้นแงซ า, ายผู้สงบนิ่งฟังการหารือในปัญหาคับขันมาตลอด โดยไม่ได้เอ่ยคำใดเลยก็ไหวตัวขึ้นแสงไฟในกองส่องกระทบตาทั้งคู่เป็นประกายคมวาวแล้วอย่างไม่คาดฝันต่างก็ได้ยินเสียงห้าวทุมนั้นดังมาว่า บทที่ห้าสิบเก้าผู้กองเองเคยพูดไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีของแก้กันพระธุดงที่เลี้ยงผมมาท่านก็พูดไว้เช่นนี้เพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นย้อมพรานหันขวับไปจ้องหน้าโดยเร็วแกหมายความว่ายังไงแง่ท า, ายหนังคางคกภูเขาตากแห้งเผาไฟให้เกิดควันชวยไปถูกใคร คนนั้นจะหลับเป็นตายนี่เป็นความจริงแต่หัวว่านชนิดหนึ่งทุบให้แหลกผสมกันเล่าขยี้ให้ทั่วจมูกปากจะช่วยกรองพิษควันสลบนั้นผู้กองทราบบ้างหรือเปล่าครับรพิงงนงันตาสว่างวาวขึ้นทุกคนจ้องไปยังแง่ทรายเป็นตาเดียวด้วยสังหรณ์แห่งความหวังแง่ทรายนี่แปลว่าธรู้วิธีแก้ยางนั้นเหรอดารินร้องถามมาเร็วหรือ ริมงฝีปากเป็นมุมสวยของใบหน้าประหนึ่งหุ่นหล่อด้วยทองแดงนั้นสยายกว้างออกไปจนเห็นฟันแง่ไซเคยใช้ยาสะกดชนิดนี้กับกองทหารพรม่าเมื่อครั้งยังอยู่ในหน่วยจู่โจมของกองโจนกเกรียกถ้าไม่รู้วิธีแก้ก็ใช้ยาสะกดชนิดนี้ไม่ได้เพราะจะต้องถูกเข้าตัวเองด้วยแล้วอย่างว่านอย่างว่านันเราจะไปหาได้จากที่ไหนให้ทันการได้ล่ะ หัวหน้าคณะถามสวนมาอย่างรีบร้อนแทนคำตอบร่างนั้นลุกขึ้นยืนเดินตรงไปที่ย่ามสวนตัวกึดใจเดียวก็เดินถือหัวว่านชนิดหนึง่งลักษณะกลมแบนเหมือนลูกสะบ้ามีรากรอบตัวเป็นสายมีขนาดเท่ากําปั้นออกมาเดินกลับเข้ามาชูให้ทุกคนดูโดยไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นระพินเอื้อมมือมารับไปพิจารณาดูเป็นคนแรก และส่งเวียนต่อไปให้คณะนายจ้างเขาตามลำดับสิงช ย, ยันพึมพำออกมาอย่างปิติว่าให้มันได้อย่างนี้สิบอคุณเอ้ยเชษถามผู้ที่ท่วนรับไปดูเป็นคนสุดท้ายแล้วเหลือบมองพรานใหญ่อย่างขอความเห็นเหมือนจะยังไม่แน่ใจนักยื่นส่งคืนไปให้แล้พินกัดกริมฝีปากพูดแผ่วต่าขณะที่พลิกกลับไปมาในมือมีว่านอยู่ชนิดหนึ่ง พวกต น, นุเรียกในภาษาของเขาแปลออกมาตรงกับคําว่าว่านพระอาทิตย์ลักษณะกลมแบนมีรากเป็นรัศมีออกรอบตัวคุณสมบัติของมันเป็นยากระตุ้นอย่างแรงทําให้ตาค้างไม่ง่วงไม่เพลียไม่มีทางจะนอนหลับไม่มีทางจะนอนหลับประสาทลงได้จนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้รับทราบมาจากพรานกบเก่าเท่านั้นไม่ทราบว่าจะเป็นว่านชนิดนี้หรือเปล่าอ่ะถ้างั้นก็สรุปได้เลยว่าใช่มันแล้วช่ยันลงความเห็นมาอย่างมั่นใจทันทีที่เขากล่าวจบเราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่นอกจากจะต้องยอมเชื่อแงแทายในภาวะเช่นนี้พรานใหญ่ว่าแลไปทางหัวหน้าคณะก็เป็นอันว่าเรามีสิ่งป้องกันยาสกดของมันเลยนะครับ โดยฝากความหวังไว้กับเจ้าว่านประลาดอันนี้เชิดตาตาเป็นประกายมองหน้าทุกคนที่ล้อมวงประชุมเครียดอยู่มันจะต้องเข้ามาเมื่อแน่ใจว่าพวกเราหลับกันหมดแล้วก็พูดอย่างใคร่ควรวญระมัดระวังตารี่ลงเหมาะที่สุดแล้วเราจะดักเอาตัวลูกชายหัวหน้าใหญ่ของมันให้ได้ถ้าเราได้ตัวมันขนาดที่ยังมีชีวิตก็พอมองเห็นลูกทางที่จะไป ต, ตามเมได้ หรือคุณว่ายังไงครับนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราเห็นความหวังรับพินก้มศีรันแล้วโยนว้านไปให้แง่ทรายออกคําสั่งโดยเร็วอจัดการตามวิธีของแกให้พวกเราทุกคนได้อย่างเร็วแง่ทายรับว้านไปใช้มีดฝานออกเป็นชิ้นแจกใจ่ายให้จนครบคนและทุบแหลกเป็นฝอยเอาเล่าป่าของขยินคล้าวผสมจนชุ่มทะยี้ละเลงที่บริเวณจมูก และริมฝีปากเป็นตัวอย่างให้ดูไม่กี่อึใจหลังจากนั้นทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยเร็วแม้กระทั่งสางปลาผู้ยังตกอยู่ในฐานะคนป่วยและเจ้าเกอชายตองเหลืองที่รอบเข้ามาส่งข่าวกลิ่นของว่านประหลาดฉุนเฉียวชวนคลื่นเหียนยังไงบอกไม่ถูกเหมือนใบหางจะเค้แต่ก็พอจะทุเลาลงได้ด้วยการดับของเล่าป่าที่ใช้เคล้าผสมก่อนที่จะขยี้ละเลงทั่วปากจมูก อย่าเพิ่งปล่อยเจ้าเกอะแยกออกไปไหนตามลำพังซะก่อนล่ะให้มันรวมกลุ่มอยู่กับเราในนี้เชิดาสัง่งพรานใหญ่ทรงภาษากระชาวป่าอีกครู่เดียวก็ถ่ายทอดข้อความให้ฟังว่าแผนการของไอ้พวกนั้นเท่าที่มันแอบได้ยินก็คือหลังจากแน่ใจว่าพวกเราถูกควันสะกดหลับกันหมดแล้วมันจะย่องเข้ามาฆ่าพวกเราให้หมดยกเว้นผู้หญิงคนเดียวที่มันจะเอาไ้ด้วยทุกคนหันขวับไปมองดารินเป็นตาเดียว ก็เห็นน้องสาวใจเด็ดของหัวหน้าคณะหัวเราะดุดันเยี่ยมเกรียมอยู่ในลําคอตาลุกวาวบอกเจ้าตองเหลืองสิว่าขอขอบใจมันที่เข้ามาบอกให้รู้ตัวซะก่อนไม่เสียแรงนะที่เราช่วยชีวิตมันไว้ลูกชายของหัวหน้าเผ่าสุ่มมองนายหญิงมาหลายวันแล้วมันพอใจนายหญิงมากคิดที่จะลักพาเอาตัวนายหญิงไปให้ได้แล้วเฝ้าตามมาทุกระยะก็พูดกระหล่ โดยผ่านรพินแล้วทำไมไม่ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอเล่าวางแผนฉุดคลากันอย่างนี้ไม่ดีชัยันอดมีอารมณ์ขันไม่ได้และมันก็ได้ผลทุกคนหัวเราะแม้แต่เจ้าตัวนักมนุษยวิทยาสาวเองก็ไม่รู้เรื่องเพราะรพินไม่ได้แปลคำปรารภแบบหน้าตายของชัยันให้เสียงอดีตนายทหารปืงใหญ่บุญพึมพาต่อมาเบาๆอีกว่า สงสัยจะซุ่มดูหมอดารินตอนอาบน้ำในห้วยแล้วก็ไม่รู้ใช้กล้องติดเทเลโฟโต้ถ่ายภาพไว้บ้างหรือเปล่าเนาะดารินเวี่ยงพลักเขาให้กลางหลังกระซิบเสียงคุนคุนนี่จะตายในวินาทีไหนยังไม่รู้ยังอุตส่าห์ตลกออกมาอีกเลยเพื่อนชายยักษ์ไหล ย, ยิ้มเด่นเลียกก็ขอตลกไว้ก่อนละฉันชอบตายหน้ายิ้มไม่ชอบตายหน้าเศร้าจาไม่ได้หรอ ที่เขาว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อไยมาฉันน่ะถือคติแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้หรือเปล่าคำพูดของชายตองเหลืองที่ระพินแปลออกมาทำให้ความคิดชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในสมองของเชษฐา แล้วสีหน้าเขาก็เริ่มมีแววแห่งความหวังขึ้นถ้าเจ้าเก๋มีความหมายในคําพูดเช่นนั้นจริงผมก็เชื่อว่ามารียาน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้แนความคิดเช่นนั้นของหัวห น, านา้าคณะเรียกความสะดุดใจของทุกคนขึ้นมาทันทีชายันเอ่ยถามมาโดยเร็วว่าลองถามเก๋ดูสิก้ะผินว่าสสงเขียวมันจะเอามารียาไปแหวกอกกินเป็นอาหารเหมือนอย่างนางเทียลูกสาวของมันโดนมาแล้วหรือไม่ รบพินถามก็ได้คำตอบแปลเป็นสำนวนภาษาคนป่าว่าก็บอกว่าซูซูหัวหน้าเผ่าคงไม่ฆ่าหญิงผิวขาวแต่จะเอาไปทำเมียเพราะหญิงผิวขาวน่ะเป็นคนสวยมันไม่เคยพบเห็นมาก่อนและจากตองเหลืองก็หันไปจ้องพิจารณาดารินชี้มือบอกมาว่านายหญิงผู้งามเหมือนนางไม้นี่ก็เหมือนกันพวกมันไม่คิดจะฆ่ากินอย่างหญิงชาวป่าเผ่าอื่น มันอยากได้เป็นเมียพ่อเอาคนหนึ่งลูกก็จ้องจะเอาอีกคนหนึ่งแต่พวกผู้ชายนะมันจะจับค่ากินหมดนี่เป็นความคาดคะเ น, ข, นของเจ้าเก๋ น, นะครับแต่ความจริงแค่ไหนเรายังไม่ทราบพรานใหญ่บอกแต่มันก็น่าจะมีข้าวความจริงควรเชื่อได้มากทีเดียวหัวหน้าคณะกล่าวภายหลังหนึ่งคิดถึงยังไงสางเขียวก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และมีความรู้สึกในด้านเพศเยี่ยงวิสัยมนุษย์ มาเรียเป็นผู้หญิงสาวผิวขาวรูปสวยต่อให้มันดุร้ายกระหายเลือดชอบกินคนเป็นอาหารเช่นใดก็ตามมันก็ไม่น่าจะฆ่าหล่อนในวัตถุประสงค์นี้ได้ลงคอแบบใดก็ตามที่มันยังมีสัแทชชติยานทางเพศอยู่ผมว่าเจ้าเกอ น, น่าจะคาดการได้ถูกต้องแล้วเถอภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นจริงเถอหนทางที่เราจะช่วยชีวิตเมย่มจะมีมากขึ้นชายยันว่า พันทีนั่นเองชายเผ่าตองหลืองก็เงยหน้าขึ้นสายจมูกร่อนไปมาในอากาศพร้อมกันทุกคนต่างก็รู้สึกว่ามีกลิ่นขมขมชนิดหนึ่งช่ยแผวเบา บ, าบางมาตามลมเหมือนกลิ่นผมหรือกระดูกไมา ก, กลิ่นนั้นกระทบคานับปรสาททันัดขึ้นทุกครั้งเมื่อลมพัดผ่านมาเรียมตัวมันสูงควันสะกดเราแล้วรพินบอกอย่างรีบร้อนพร้อมกับหันไปกาชับสั่งคนของเขา ตามแผนจึงได้นัดหมายกันไวแล้วและพูดเร็วหรือกับคณะนายจ้างของเขาเป็นประโยคสุดท้ายเข้าประจำที่ครับทำเป็นนอนหลับได้แล้วแล้วก็สังเกตเจ้าตัวที่ปักขนนกดำไว้บนศีรษะนั่นน่ะคือลูหัวหน้าลูกชายหัวหน้าเผ่าเราจะจับเป็นเจ้าลูไว้เพียงคนเดียวนอกนั้นจะฆ่าให้หมดสัญญาณลงมือขอให้ฟังจากผมนะครับไม่มีใครเอ่ยคาใดกันอีกทั้งสิ้น แยกย้ายเข้าประจําที่นอนซึ่งวางจุกไว้อย่างเหมาะเจาะสําหรับเป็นกับดักฝ่ายที่จะย่องเข้ามาชนิดไม่เปิดโอกาสให้หลุดรอดไปได้เลยการรู้ ก, กําลังของฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าว่ามีจํานวนอยู่เท่าใดยิ่งทําให้สะดวกขึ้นต่อการรับมือในระยะประชิก ต, ตัวอันจะเกิดขึ้นนายจ้างทั้งสมล้มตัวนอนที่เดิมวิือนยาววางแนบกายพร้อมที่จะหยิบฉวยขึ้นมาได้ทันทีแต่ในมือของแต่ละคน ที่ซุกอยู่ภายใต้คลุมของแบงกริดตําปืนสั้นประจําตัวไวแน่นขยินนอนดักอยู่ทางด้านาศีรษะเงยสายสกัดเป็นรั้วอยู่ทางปลายเท้าระพินเป็นเป้าเด่นล่อตาอยู่ข้างกองไฟนอกนั้นนอนเรียงรายอยู่ในรัศมีรอบๆส่วนเจ้าตองเหลืองเกะแอบเข้าไปหลบซุ่มอยู่ในซอกหินที่นักสํารวจป่าสองหัวเมียเคราะไรเคยใช้เป็นที่นอน และทุกคนก็สงบนิ่งไม่ติงกายเหมือนจะหลับสนิทรอคอยเวลาสำคัญที่จะเข้ามาถึงด้วยใจอันเต้นแรงกลิ่นขุ่ขมที่ลอยตามลมมานั้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจะเป็นด้วยกำลังใจอันแน่วแน่ที่จะต่อสู้กับอำนาจความง่วงเหงาหาวนอนหรือจะเป็นเพราะริบว้านของแง่ทรายที่ฉลมจมูกไว้ก็ไม่ทราบได้ทุกคนมีประสาทตื่นพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีใครหลับลงแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปอย่างแช่มช้าท่ามกลางความเงียบเวลาจะผ่านล่วงเลยไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เดือนแรมจัดเริ่มจะโผล่พ้นทิ่ไม้สาดแสงสีดีดลงมาอาบแนวป่าขาวฝนหมดไปแล้วเห็นดาวทอแสงอยู่ระยับนกฮูกร้องเป็นจังหวะอยู่บนยอดกลางเหนือตีนเขา ครั้นแล้วเสียงการเคลื่อนไหวอันเกิดจากกิ่งไม้สั่นกระทบและก้อนกรวดพิกก็แวววใกล้เข้ามาอย่างแช่มช้าบดารินส ก, กิดแขนพี่ชายแล้วก็รู้สึกในฝ่ามืออบอุ่นของเชฐิฐาที่กุมมือหล่อนไว้บีบเบาๆชา ย, ยันนั้นกลนครอกอยู่เป็นจังหวะแต่มีเสียงกริ๊กลั่นขึ้นเบาๆมาจากใต้ผ้าคลุมมันเป็นเสียงง้างนกของจุดซซแมกนัม แบบซิงเกิลแอคชั่นที่ถืออยู่ในมือต่อมาอีกอึดใจใหญ่ๆจากม่านตาแคด ร, รีจับสังเกตอยู่ของทุกคนเงาดำๆเหมือนผูดผีก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากลืบโคดหินที่ขึ้นแวดล้อมสลับซับซ้อนทีละเงาสองเงาจากทิศทางต่างๆรอบด้านนับได้เจ็ดคนตามจำนวนที่เจ้าเกะมารายงานไว้ล่วงหน้าไม่มีผิด Thank <laughs> you.